สัจจะป บ, บังจบข้อกำหนดด้วยสัจจกธ ร, รมานุธ ร, รมานุปัสติปัทานังจบธรมมานุปัตนาสติปัทานังต่อไปเป็นอ น, นิสงอ น, นิสงอนิสงนี้ใครคอยไปดู ใครอ่านเก่งบ้างนะหนึ่งสองเอาเราอ่านคำแปลดูเอาอ่านคำแปล112่องเอาดูอ่านดูใครตาดีเอาคำคำแปลแล้วลูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายอริยะสัจ คือทุกคนิโรธาคามินีปฏิปดาข้อปฏิบัติให้ถึงทรรมเป็นที่ดับทุกขเป็นอย่างไรทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดทางเดียวนี่แลทางนี้เป็นอย่างไรคือความเห็นชอบความนำริชอบวิรัตเป็นเครื่องเจรจาชอบวิรัตเป็นเครื่องเจรจาชอบ วิรัตธรรมเป็นเครื่องกระทำชอบวิรัตธรรมเป็นที่เลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งจิตมั่นชอบดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสำมาทิสฐิความเห็นชอบเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความรู้ในทุกขความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในธรรมเป็นที่ดับทุกข ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงทำรรเป็นที่ดับทุกขอันใดแลดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาทิฐิความเห็นชอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสัมมาสังกัปปะความดําเริชอบเป็นอย่างไรความดําริในการออกบวชคือออกจากกามารมณ์ความความดัมริในความไม่พยาบาท ความดั่งบิณัยการไม่เบียดเบียนดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาสังกปะความดั่งิณชอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสัมมาวาจาวิรัตเป็นเครื่องเจรจาชอบเป็นอย่างไรเจรจาเป็นเครื่องเว้นจากกล่าวเท็จเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวาจาส่อเสียดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวาจาหยาบคายเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากเจรจาสัม สัมรากเพยเจอร์ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาวาจาวิรัตเป็นเครื่องเจริญาชอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสัมมากัมมันตะวิรัตธรรมเป็นเครื่องกระทําชอบเป็นอย่างไรเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเครืร่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากความประพฤติผิดในการม ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมากัมมันตะวิรัตธรรมเป็นเครื่องกระทําชอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสัมมาอาชีวะวิรัตธรรมเป็นที่เลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพระอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละความเลี้ยงชีพผิดเสียแล้วย่อมสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาอาชีวะวิรัตธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีพชอบดูก่อนพิสุทั้งหลายสัมมาวายามะความพยายามชอบเป็นอย่างไรดูก่อนพิสุทั้งหลายพิษุในธรรมวินัยนี้เพื่อจะยังอกุศลธรรมมันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นย่อมยังความพอยใจให้บังเกิดย่อมพยายามย่อมพยายามย่อ ม, ม, มปราบความเพียรย่อมประคอง ตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยังความพอใจให้บังเกิดย่อมพยายามย่อมประรบความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นย่อมยังความพอยใจให้บังเกิดย่อมพยายามย่อมประรบความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ให้สาบศูนย์เจริญยิ่งภัยบู์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมประรับความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาวายามะความพยายามชอบดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายสัมมาสติความระลึกชอบเป็นอย่างไร ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งเนืองอยู่คำว่าคําว่ากายในกายก็คือกายย่อยของกายใหญ่ส่วนย่อยของกายใหญ่ส่วนปลีกส่วนย่อยเช่นอย่างเป็นพร้อมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากายในกายกายในกายานุปัสนานั่นแหละมีความเพียรให้กิเลสร่าร้อนมีสัม ไปชัญญะมีสติพึงนำอภิชาและโทมนัสความยินดีและความยินร้ายอภิชาความยินดีและความยินร้ายในโลกเสียให้พินาดย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองยู่คือพิจารณาเห็นทุก์ในทุกนั่นแหละคือเราไม่ต้องไปไปกําหนดว่าเวทนาในเวทนานอกเวทนาในเวทนาเราไม่ต้องไปกําหนดดอกดูให้เห็นเวทนาในใจให้มันก็รู้เรื่องแหละ โดยเห็นกายในใจก็รู้เรื่องโดยเห็นเวทนาในใจก็รู้เรื่องมีความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนมีสัมพัญญะมีสติพึงนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่ก็คือส่วนย่อยของของส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของของจิตส่วนหนึ่งของอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเราเราเรียกว่าจิตภายในจิตจิตในจิตฉัอยาเห็นจิตยินดีเห็นจิตยินร้าย เห็นจิตโลภเห็นจิตโกรธนี่เราเรียกว่าจิตในจิตมีความเพียรให้กิเลสร้าเรอนมีสัมพัญญะมีสติพึงนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสร่าเรอนมีสัมพัญญะมีสติพึงนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศดูความพิสูจทั้งหลายอันนี้เป็นที่กล่าวว่าสัมมาสติ ความระลึกชอบดูความพิสูจ์ทั้งหลายสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกา ม, มารมสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลเข้าถึงปฐมฌานในวงเล็บความเพ่งที่หนึ่งปนะระกอบด้วยวิตตกและวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเพราะความที่วิตตก วิจารณ์ทั้งสองระ ง, งับลงเข้าถึงทุติยฌานความเพ่งที่สองเป็นเครื่องผ่องใสผ่องใสใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมันเอกพุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีสีและปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอันหนึ่งความที่ปีติวิราชในวอเล็ปปราดไปปีติปราดไป ย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและสวยความสุขด้วยกายอาศัยคุณคืออุเบกขาสติสัมปชัญญะและสวยสุขอันใดเล่าเป็นเหตุสวยสุขอันใดเล่าเป็นเหตุพระอรยิยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เข้าถึงตติยฌานความเพ่งที่สเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกเสียได้ละสุขเสียได้ละทุกเสียได้คือเบียคาเพราะความที่โสมนัสและโทมนัสทั้งสองโ ส, โสมนัส เ, เสียโ ส, โสมนัสดีใจโทโทมนัส เ, เสียใจในการก่อน อัดสดงดับไปนะอัดสดงดับไปเข้าถึงจะจุดไถ่ฌานความเพ่งที่สไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระโอเบกขาดูขอนพิสุทิ์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบดูขอนพิสุท์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกขคนิโรทขาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์ ดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งคือความ คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่หมายความว่าสักทว่ามีสติระลึกรู้ว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึก เธอย่อมเป็นผู้ไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูความพิสุทั้งหลายพิสษุ์ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ี่อย่างนี้แลจบข้อกำหนดด้วยสัจจจบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปเป็นอนิสงส์อนิสงส์ก็มีเวลาเราใ่อยสวดวันหลัง คือท่านก็มพูดสรุปเรื่องข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบออเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมาสังกัปป ะ, ะดัมปีออกจากกามดัมปีในทางไม่เบียดเบียนดัมปีไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเราเอง แล้วก็ดำริออกจากกามการดรําริออกจากกามจึงเป็นเรื่องของปัญญาพวกเราทั้งหลายได้เชื่อว่าแช่อยู่ในกามอิ่มอยู่ในกามแช่อยู่ในกามเต็มปแปรอยู่ในกามการที่เราดํำริออกจากกามเช่นอย่างการที่เราออกบวชเงี้ยมันเป็นหนทางมันเป็นวิถีวิถีทางมั น, เ ป, นเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อมาสู่หนทางเพื่อมาสู่หนทางระ ง, งับกามที่ท่านเรียกว่าออกจากกามดําริออกจากกามคำว่าดำริคื อ, ค, อคือนึกคือคิอคดเฉยๆนึกคิดเฉยๆอยู่บ้านก็ น, นึกคิดได้ดําริออกจากกามคือนึกคิดเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสเพื่อคิดปรุงเสริมแต่งให้เกิดความยึด เกิดความถือเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเกิดความพอใจเนี่ยเราเรียกว่าสัมมาสัมาสมาสังกัปสัมมาสังกัปป์ดำริออกจากกามคําว่าดําริออกจากกามหนึงกายออกจากกามสองจิตออกจากกามดําริคําว่าดําริในที่นี้คือนึกเฉยๆคิดเฉยๆอยากเอาจิตให้พ้นจากกามบางทีเราก็เบื่อหน่ายกามเหมือนกัน คำว่ากลางก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรมรมารมเราทุกเพราะรูปเห็นรูปความอยากได้ในรูปก็ทุกข์อยากได้แล้วไม่ได้สมใจก็ทุกข์ได้มาแล้วเหมือนเราเราอยู่เป็นครอบครัวผัวเมียกันนั่นแหละกระทบกระทั่งกันต้องเอา อ, อกเอาใจกันต้องเอา อ, อกเอาใจกันต้องหึงหวงกัน ต้องรักอต้องถนอมกันต้องเอาใจกันแล้วก็บางครั้งศบอารมณ์ที่ไม่ไม่ชอบใจไม่พอใจยากสละสลัดให้กระเด็นออกจากหัวใจตอนนั้นสละไม่ได้มันขัดมันมีสิ่งเป็นบ่วงผูกคอผูกมือผูกตีนสละไม่ได้ก็ทุกข์ก็ไปขั้นหนึ่งระดับหนึ่ง การที่เราคิดออกไม่เอาจิตนึกคิดเรื่องเหล่านั้นทําจิตให้สงบระงับอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตเริ่มทิ้งอารมณ์เหล่านั้นที่ท่าเรียกว่าจิตออกจากกามจิตเริ่มออกจากกามนี่ดําริออกจากกามคิดนึกในใจคิดมากๆเข้าก็ต้องออกมาทําตามนั้นเหมือนอย่างพวกเราอยากบวชนี่แหละการที่เราออกบวชก็คือเราออกจากกาม เอาเอากายเราออกจากกามอยู่บ้านอยู่ช่องคลุกคลีด้วยลูกด้วยผัวด้วยเมียด้วยเพื่อนด้วยฝูงด้วยผู้หนุ่มผู้สาวเขาเรียกว่าคลุกคลีด้วยฝุ่นทุลีละอองเราออกมาอยู่อย่างนี้มันเป็นเพศที่ไม่เกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าเอากายออกจากกามเอากายออกจากกามมาแล้วถ้าหากไม่พยายามเอาจิตออกจากกาม มันก็พอๆกับเขาอยู่บ้านนั่นแหล ะ, ะการที่เราพยายามเอาจิตออกจากกามเราอยู่บ้านเราก็พยายามเอากายอกายอกจิตออกจากกามได้เราเข้ามาอย่างนี้แล้ว1เราได้เอากายอกอกจากกามในเยี่ยมเอากายออกจากกามมาแล้วเราเยี่ยมเยี่ยมขั้น1ระดับหนึ่งมาแล้ว2พยายามเอาจิตออกจากกามถ้าเราเยี่ยมได้สองระดับหนึ่โอ้ถือว่าสมภาสมภูมิทีเดียวแหละ เป็นบุญเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจิตใจของเราหมายความว่าเราพยายามตั้งใจเภาวนาให้จิตสงบเนี่เมื่อจิตเริ่มสงบจิตมันก็เริ่มออกจากกามกา ม, มารมม์คำคำว่ากา ม, มารมณ์ไม่ใช่ว่ามีความกําหนัด น, น, นึกรักผู้หญิงนึกรักผู้ชายผู้ชายนึกรักผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกันข้ามมันไม่ใช่มีแต่อย่างเดียวมันมีหลายเรื่องคิด สิ่งกำหนัดยินดีพอใจเรื่องสิ่งเรื่องของของอยู่ของเป็นของใช้ของสอยที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายชุกอยาก่างลำบากอะไรตัวอะไรเนี่ยคิดวุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าจิตผัวพันในกามภาวนาให้สงบระ ง, งับจากสิ่งเหล่านี้จิตสงบอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ ร, ร, รวมไปถึงยอดของกามนั่นแหละนั่นน่ะยอดที่เป็นยอดของอารมณ์ของกามตัวนั้นตัวยุ่งตัววุ่นที่สุดบางคนมี พรั่งพร้อมหมดของอยู่ของกินของใช้ของสอยที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายของสนองเจตนารมณ์หมดมีหมดทุกอย่างขาดสิ่งเดียวอยู่ไม่ได้มีได้แค่หนึ่งก็ยังไม่พอไปเอาอีกหนึ่งมงีมีอีกหนึ่งเขาก็ยังเรียกว่าน้อยอยู่ไปเอาอีกหนึ่งเขาก็ยังเรียกว่าน้อยไปเอาอีกหนึ่งก็ยังเรียกว่าน้อยอีกบางคนเขาก็มีเป็นพวงเป็นห้าคนเป็นสิบคนนั่นเขาเรียกว่า เอาความอิ่มความพอกับเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เอาจิตออกจากกามออกจา ก, ก, กรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะกับสิ่งของใช้สอยอย่างอื่นด้วยเอาออกจากกามารมระหว่างผู้หญิงผู้ชายด้วยเอาตัวนี้ออกได้นี่เยี่ยมที่สุดเพราะตัวเดียวตัวนี้แหละทำให้เราในวนเวียนเกิดในโลกไม่จบไม่สิน้นทาบุญมากๆ ให้ทานมากๆตั้งใจรักษาศีลมากๆแต่หากไม่ได้ตั้งใจภาวนาะให้ใจได้รับความสงบเลยด้วยอา น, นิสงส์ที่ให้ทานมากโดยอา น, นิสงส์ที่ตั้งใจรักษาศีลมากตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ใครอยากเต็มแปร่ด้วยกามสุขให้ทาบุญอย่างนี้มากๆไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์มีแต่สิ่งบำรุงบำรรด้วยกามสุขทั้งนั้นอเอาให้ตายชักอยู่บนนั้นก็ได้ อ่าไม่มีใครว่าอะไรน่นนะพระบนสวรรค์เป็นสิ่งที่เต็มแปร่กับกามคุณตั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบนสวรรค์หกชั้นมีแต่เรื่องเหล่านั้นทั้งหมดแต่จะละเอียดจะประณีตขึ้นโดยลําดับตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกบนสวรรค์อะไรก็เป็นของที่เป็นของละเอียดไม่พอบำรุงบารสูกใจชอบใจเพลินใจอยู่ในนั้นน่ะบางคนอย่าลืมกินลืมเป็นลืมตายถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนี่ นี่พูดถึงผลของการทําความดีขั้นหนึ่งระดับหนึ่งทรงให้เราไปอิ่มเต็มแปร่อยู่กับกามาคุณมะขุณอยู่บนนั้นหรวพ่อพะเจ้าทั้งกระทรงสแสดงอีกว่ากามาคุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นะล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นเลยพ ร, ระองค์ระทรงชี้เข้าไปชี้มาที่รูปได้มาแล้วก็เสียไปชี้มาที่เสียงเสียงเพลินใจเสียงไม่เพลินใจทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสทั้งของใดมา บางทีถูกใจบางทีไม่ถูกใจบางทีชอบใจบางทีไม่ชอบใจรวมไปถึงกามารมณ์ระหว่างคู่ครองคิดดูเทวดาตนหนึ่งต้นหนึ่ ง, นนงมีเทพ ธ, ธิดาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนล้อมรอบเป็นบริวานโอ้แล้วจะไปทํายังไงหมดอ่ะจะไปเอาไปสวยกามารมณ์ยังไงหมดตายชักแงงแๆงอยู่บนนั่นอ่ะเรามาพิจรารณาลองดูอรักคนนี้เอา้าช่างคนนั้น เพลนใจกับคนนั้นเพลินใจคนนี้เอาจนตายไม่อิ่มไม่พอไม่อิ่มไม่พอเอาจนตายไม่อิ่มไม่พอทุกข์กับความไม่อิ่มไม่พออีกจังหากพุทธเจ้าท่านให้ดูให้เห็นเป็นโทษเนี่ยดูเราไม่ต้องดูดูแค่เรามีครอบครัวผัวเมียทุกข์หรือไม่ทุกข์ลาบากหรือไม่ลำที่สําคัญที่สุดต้องทําหากินต้องทํามาหากินนะอยู่ด้วยกันสองคนอยู่อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปอ้าว มีเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสามคนหาใส่ปากท้องอพ่อแม่ลูกลกโ ต, ตขึ้นมาต้องมีเครื่องแต่งตัวต้องเรียนต้องบอกต้องสอนต้องทุกต้องลำบากต้องทรมานผัวไปทำงานไปพบผู้สาวอาเมียไปทำงานไปพบผู้หนุ่มตายแล้วต่างคนต่างหึงหึงหวงกัน พูดจาพาทีก็ต้องเอาอกเอาใจกันต้องสามัคคีกันต้องปรองดองกันแล้วก็โดยความไม่อิ่มพอเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสนอกใจกันผัวนอกใจเมียทุกไหมเมียทุกทุกเกือบตายทุกปางตายทุกจนข้าตัวตายเนี่ยเมียนอกใจผัวทุกจนตายบางคนฉลาดหน่อยก็ ไม่สนใจไม่ห่วงใยอะไรแหละทิ้งมันเลยแหละออกมากกนหัวบวดบาเพ็ญได้อัดได้ทำนี่เราดูประวัติหลวงปู่เขาวนะเป็นตัวอย่างบําเพ็ญปฏิบัติหนทางนี่สะดวกสบายปลอดโปรง่งได้อัดได้ทำนี่นี่คือทุกข์ที่บุทธเจาสั่นทรงตรัสถึงความทุกข์กรรมศพ เรียกว่ากา마ทาีนวะกามาทีนวะโทษของกามเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องคุณของการออกจากกามคุณของการออกจากกามก็คือนี่แหละหนึ่งเอากายออกมาเช่นอย่าพวกเราเนี่ยเอากายออกมาอยู่วัดเนี่ยก็ถือว่าเอากายออกมาสองเอาจิตออกมามันเอาออกมาเฉยๆไม่ได้ดอกมันต้องงานมีงานให้มันทํางานก็คืองานภาวนาเนี่แหละให้ใจสงบ งานภาวนานี่แหละให้ใจสงบเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นข้อปฏิบัตินะดําริชอบดําริออกจากกามถือว่าดัมริชอบดําริในความไม่เบียดเบียนคําว่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เบียดเบียนสารพัดมีใจเมตตาประกอบพร้อมอยู่ในนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว อ, อันนี้ต้องเอาศินมากำกับสัมมาวาจาเจริญใชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานที่ไม่ผิดสินไม่ผิดธรรมการงานอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดสินไม่ผิดธรรมเป็นการงานชอบเป็นการงานที่มีคุณค่าได้ค่าได้ราคาแพงเท่าไหร่ก็ตาม แต่เป็นการงานที่ผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่ใช่การงานชอบล้ยิ่งประกอบไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาท่านจึงห้ามห้ามค่ามนุษย์ห้ามค่าสัตว์เป็ น, ห, ปนห้ามขายอาวุธห้ามขายยาพิษห้ามเลี้ยงสัตว์เป็นไว้ให้เข้าไปฆ่าเนี่ยผู้ที่เป็นอุบาสก อุบาสิกาในพุทธศาสนาถ้ายัางละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้คำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้ผู้เข้านั่งใกล้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจที่ละเอียดมีเมตตากรุณาเป็นภาคพื้นสัมมากัมมันตะถ้าเป็นการงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่าไม่เป็นการงานชอบละ ว่าจะพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดเพย์เจอพูด พ, พูดเท็ดพูดให้โทษพูดทำลายความน่าเชื่อถือของคนอื่นคือเรียวกว่าทำลายเครดิตของคนอื่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นสไตล์พูดทิ่มแทงกันอันนี้เราเห็นด่า ด, ดื่นไปในข่าวไปดูไปอ่านดูในข่าวที่เขาต่อสู้กันเลยรู้แต่ใส่ร้ายทิ่มแทงใส่ร้ายกัน น, น่นเพื่อทำลายความน่าเชื่อถืออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อยกตัวเองให้เด่นขึ้นมาเนี่ยบางอย่างเขาไม่มีข้อเท็จจริงอะไรดอกใส่ร้ายป้ายสีกันไปใสป่ป้ายสีกันมาป้ายสีกันไปบางทีไม่จริงดอกแต่กแกล้งฟ้องกันเพื่อให้เกิดข้อต่อรองเพื่อเกิดข้อต่อสู้เพื่อเป็นการทําลายให้ให้เสียให้เสียยศเสียศักดิ์ให้เสียวงสกุลเนี่ยแต่บางคนบางคนมันก็เลวจริงๆนั่นแหละ ตามที่เขาพูดเขาว่านั่นแหละนี่พึงระวังนี่พูดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวก็คือเลี้ยงชีพชอบการงานกับเลี้ยงชีพมันก็อันเดียวกันนั่นแหละทำการงานที่เลี้ยงชีพแต่ลงตาท่านประยุกต์เข้ามาที่จิตข้างในเอาธรรมะเข้าไปหล่อเลี้ยงใจท่านว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบเช่อนอย่าง เรเดินอยกรมนี่เป็นการงานอย่างหนึ่งทำให้ใจสงบนั่งภาวนาเนี่เป็นงานอย่างหนึ่งทำให้ใจสงบเอาคาว่าพุโทโธพุโทโธมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ใจสงบสงบจนได้ชันที่หนึ่งที่สองที่3มที่สี่มันอย่างที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือเป็นงานเป็นงานที่ชอบด้วยธรรมสัมมาคัมมันตะคือการงานชอบ สัมมาอาชีพคือเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีพชอบคําว่าเลี้ยงชีพชอบรวมไปถึงอารมณ์ด้วยรวมไปถึงอาหารด้วยเพศัตว์ด้วยอาหารที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมได้มาในทางที่ชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมยุบยาที่ได้มาโดยชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมที่เรียกว่าเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อันนี้เป็นส่วนของสมาธิเมื่อกี้นี่เป็นส่วนของศีลสัมมาวายาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโอสามอย่างนี้ต้องกำกับด้วยศีลคนไม่มีศีลฆ่าสัตว์ได้ฆ่าสัตว์ได้เลี้ยงสัตว์เป็นให้เขาฆ่านี่ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลโดยละเอียดในส่วนลึกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายให้เขาฆ่ า, าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาขายให้เขาฆ่า อีกยังเป็นไม่ได้น ะ, ะยังเป็นไม่ได้ยังผิดศีลอยู่ยังผิดศีลอยู่ถ้าใครทําอยู่ก็ให้รู้ไว้ว่านี่ยังผิดศีลอยู่ยังผิดศีลอยู่ <c oughs> สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนของสมาธิสัมมาวายามะพ ย, มพยายามชอบพยายามชอบ พยายามชอบพยายามชอบทำไงพยายามพยายามชอบพยายามละด้วยสํารวจระวังสังวรประทานประหานประทานสังวรประทานประหานประธานระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นระวังระวังกิเลส ใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามละกิเลสเก่าสังวรประธานประธานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาวาทานคือตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่ให้จิตได้รับความสงบในขณะที่เราตั้งใจตั้งใจสํารวมระวังภาวนาพุทโธพุทโธมันก็เป็นสังวรประธานไปในตัวมันก็เป็นประธานประธานไปในตัวภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราเคยภาวนาได้10เซ์ ตั้งใจภาวนาอยู่ไม่หยุดไม่หย่อเพิ่มไป15เปอร์เซนต์ี่เนี่าเรียกว่ากุศลเก่ารักษาไว้กุศลใหม่ก็เพิ่มผูนเข้าไปมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มพินเพิ่มพินเพิ่มพินรวมไปแล้วก็เป็นประฐานองค์ประกอบของวายามะพยายามเช่าสัมมาสติคือมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปะมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตปะ นี่เป็นสมาธิเป็นสติชอบสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเราพูดกากับไปด้วยกันเลยแต่สัมมาสติในทางที่ชอบนั้นหมายความว่าสติที่อามารลึกกายระลึกเวทนาระลึกกิตและระลึกธรรมที่เรียกว่ามหาสิปัฏฐานนี่แหละจะเรียกว่ามหาสติ นี่คือสติระลึกชอบระลึกชอบระลึกอย่างอื่นก็ชอบเหมือนกันนะไปทํางานทําการเป็นมดเป็นหมอทํานู่นทนํานี้ตรวจเช็คโรคสุขภาพขับรถขับราสิสติทั้งนั้นแหละแต่ท่านไม่เรียกว่าสติชอบสติชอบเป็นสติที่อามาพิจารณาเพื่อลดละความยินดีความหินร้ายอาศัยสติเป็นภาค พ, พื้นในหัวใจ สมัมมาสติเนี่ยสัมมาสติประกอบไปด้วยสติสมัมปชัญญะอาตตปะคือเพียนประคองสติเอาไว้เพียนเพียนประคองจิตไว้เพียนประคองจิตไวเ้เอาสติเอาสัมปชัญญะอาตตปะนี่แหละมาประคองจิตเอาไว้สรุปลงแล้วก็ถ้าจิตสงบนิ่งมันก็เป็นสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิเอาสัมมาสมาธินี่แหละเจรพิจารณาจนได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สมที่สเจริญได้ฌานขั้นไหนก็ตามเราเอามาพิจารณาเกิดปัญญาเกิดปัญญาญานเกิดวิปัสนาเกิดวิปัสนาญาณเริ่มต้นไปจากตรงนี้อันนี้เป็นในปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเป็นมรรคมรรคปฏิปทาในระยะมีองค์แปที่เราส่วนเราจะเห็นว่าอริยสัจสี่ก็ตาม มัสมีองแปดก็ตามสติปัฏฐานสี่ก็ตามรวมไปถึงปฏิจจสมุปบาทแต่ในในนี้ไม่ได้ไล่ไม่ได้อำมาไล่อวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปจัจจัยเกิดปัญญาณอันนั้นเป็นการไล่ปัจจัยไล่เหตุไล่ปัจจัยในลําดับขั้นตอนของกิเลส ท, ทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นขั้นเปลี่ยนตอนทั้งหมดนี้เป็นหลักเป็นหลัก การเป็นวิชาการเป็นวิธีการเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่วิธีการที่ท่าจะมาภาวนามาปฏิบัติเราจะต้องทำซ้ำๆๆๆๆอย่างภาวนาพุทโธพุทธทําย้ําอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าใจมันจะสงบไม่ใช่เรามาอ่านตั้งยัยอ่านหนังสือแบบที่เราอ่านอ่านเมื่อกี้แล้วจะให้ใจมันสงบมันก็สงบอยู่ในขั้นใช้ความนึกคิดพิจารณาอ่านไปตามนั้นแต่จะทําให้ใจสงบจนไรชานที่หนึ่งที่2ที่3มที่สี่ ตามที่ท่านกล่าวเอากล่าวเอาไว้อย่างจริงจังนั้นจะต้องคัดสีอยู่ที่เดียวนั่นแหละสงบอยู่กับคําเดียวเนะี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธจนสามารถละอารมณ์ของกามทั้งหลายได้ละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละสัมผัสสิ่งเหล่านั้นไม่มากวนใจสงบระงับไปหมดเหลือแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเด่นโร้าในหัวใจนั่นแหละจิตเริ่มมีสมาธิ จิตก็มีสมาธิเอาอะไรมาทํางานเอาอะไรมากำกับเอามาทํางานเอาสติเอาสัมผััญญะมากํากับมาทํางานงานที่เราจะพึงพิจรารณาก็พิจารณาตามหลักในมหาสติปัฏฐานจะพิจารณาบทกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานจะพิจารณาบทเวทนาก็ เ, าเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจะพิจารณาจิตตัวที่เอามาพิจารณาคือตัวสติ สติมาพิกำรสพิจารณาจิตสติก็เกิดจากจิตนะอาศัยอารมณ์เดียวกันเกิดอาศัยตั้งอยู่ในจิตอาศัยความโดดเด่นของจิตด้วยการตั้งออกตั้งใจระมัดระวังสำหรวจระมัดระวังมีสัมปชัญญะกำกับมาด้วยคือความรู้ตัวทั่วพร้อมที่เะเรียกว่าสติมาสัมปชาโนอาตาปีพิจารณาให้เห็นให้เห็นสัจธรรมสติ นำความยินดีออกนำความยินร้ายออกออกจากใจถ้าทำไปแล้วยังมียินดียังมียินร้ายยังนำออกไม่ได้แต่สติไม่ทันสติขาดช่วงสติขาดตอนถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดอาศัยสักถ้าสติเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้แล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไประลึกรู้แล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นวิธีการหนึ่ง เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่เราเอามาพิจารณาจะพิจารณากายเวทนาจิตหรือธรรมบทใ ด, ดบทหนึง่งพิจารณาไปจนเกิดปัญญาปัญญาญาณวิปัสนาวิปัสนาญาณอันนี้อันนี้เป็นภาคปัญญาเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นมารียามารมีองแปดประกอบไปด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาแต่เวลาท่านพูดพูดไว้ในมารมีองแปดนั้นท่านจะพูดขึ้นขึ้น ถึงเรื่องปัญญาก่อนสมาธิิสมาสังกปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาสมาวาจารสมากรรมตะสมาชีวะเป็นเรื่องของศีลธรมมวายมะสมาสติสมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาเวลาเราไปเรียงตามลําดับของขั้นตอนในการทํางานที่จิตเพื่อจะไปลดไปละไปปล่อยไปละไปวางกิเลส ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็จะเริ่มจากศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาทิ้งศีลสมาธิจะเกิดขึ้นในยากทิ้งสมาธิปัญญายิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่เป็นสัมมาสัมมาปัญญาเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานประสพภาษ า, า, ากันไปศีลเราก็ตั้งออกตั้งใจรักษาเราไม่มีสีมาก้อคว น, นเพราะเราไม่ผิดศีลลองดูซิ อ่ใครต้องอาบัตรประชาชิกสักคนหนึ่งะมีความสุขกระโมไหมไม่มีแหละทุกเผาไฟกีประไลกันกีแรงเทียนเผาหัวใจอยู่นั่นละลองดูซิผิดศีลลองดูซิเพราะฉะนั้นศีลตั้ง อ, อกตั้งใจสำรวมระวังแท้ๆแหละบางทีไม่ใช่ศีลเพียงแต่เพียงระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนเนี่ยอันน้นระวังนอันน้นระวังนอันนั้นระวังนะอันนั้นระวังถือเอาหมดสัมรวมเอาหมดระวังเอาหมดอถือเป็นข้อปฏิบัติอเอาน้อมาใส่เกล้าวมาใส่หัวจิตหัวใจทั้งหมดว่าแต่อนาคนุณะอนาคุณละอนาคุณว่างอนาคุณวางถือหมดนอกจากองศ์ศีลแค่ศีลศีลในพระปาทิโมกแล้วก็ศีลในส่วนของอภิสมัยจาร์อ ศิลปาธิโมกสินในส่วนพิสมาจารย์ศินนี่เราก็พูดไปแล้วก็มันไม่พ้นสินที่ถ้าเอามาพูดในพระปาธิโมกอ่าปาราชิกสเี้ยสังคาที่เสีสิบสามเนี้ยอ น, นิียศสองเนี้ยนิสกิยปยติสาปยตเขาสองไปเทสนิยสี่เสียเจ็ดสิบห้ารวมทั้งอธิกรณะสมถะเจ็ดอย่างนี้เป็นเครื่องระงับกิเลส เป็นเครื่องออกจากอาบัตเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ท่านก็เรียกว่าท่านก็เรียกท่านก็เรียกเป็นองค์ประกอบ7เหมือนกันอธิกรณะสมถะเครื่องทําให้เกิดการสงบระงับอธิกรณะสมมติเจ็ดสมุข่าวินโยดาตโบสติวินโยดาตโบมูลธรวินโยดาตโบ ปัญญาตะกรนังเยวยาสิกาตัสสะปาปยาสิกาทินวัตทารกะเนี่ยทั้งหมดนี้เป็น อ, อธิกรบางอย่างให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบสมุขวินยัยสมุขพร้อมด้วยบุคคลพร้อมด้วยวัตถุชอบด้วยความเป็นธรรม ทำด้วยอำนาจของสงฆ์เรียกว่าสัมมุขวินยัยระ ง, งับด้วยสัมมุขวินัยอย่างพิสูจนองค์หนึ่งถูกโจดอวบประชิกขึ้นมาเนี้ยยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ประกอบด้วยธรรมผิดธรรมข้อไหนข้อไหนข้อไหนผิดศีลข้อไหนข้อไหนข้อไหนประกอบไปด้วยบุคคลแล้วก็ทำชอบด้วยความเป็นธรรมโอ้บุคคลคนนี้มีจริงเป็นหญิงผิดจริง ถ้าอยู่ในอาบัติที่แสดงได้อ้าวไปแสดงอาบัติอยู่ในอาบัติที่สละสิ่งของก่อนแล้วค่อยแสดงอาบาัตนิสกิยปยติอ้าวไปสละสิ่งของเสียก่อนแล้วค่อยแสดงอ้าวไม่ต้องสละไม่ต้องอะไรเลยอาบัต ท, ทุกกฎอบัตถุภาสิตก็แสดงไปตามองนั้นนั้นนี่คือวิธีระงับออกจากอาบาัติพร้อมหน้ า, าพร้อมหน้าพร้อมบุคคลพร้อมธรรมพร้อมวิมนัยสมุขาววินโยดาตโบ สติวินิยดดาตโบนี้สหรับสวดประกาศให้พิสุที่เป็นพระอาหารหันต์แต่มีคนโจดคนฟ้อ ง, ใ ห, งให้ส่งไปสวดประกาศให้ว่าองค์นี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์เช่นอย่างพระทัพพระมรบุตรถูกเขาฟอ้องนั่นแหละเขาไปใส่ร้ายว่ า, าผิดศีลถึงขั้นประลายชิกกับนางอะไรเมตติเมตเมติยาพิษุนีอะไรเนี่ยถูกพระอะไรเป็นคนโจด ค, คนฟ้องสงทั้งหลายก็ไปชุมสงสวด ให้สติวินัยกับเธอเพราะเธอเป็นพระอรหันติวินโยดาตบโบพึงให้ด้วยให้สติอมุนหาวินโยดาดาตบโบพิสุเป็นบ้าพิสุกำเริบจิตใจเป็นบ้าไม่มีสติขาดสติขาดสัมปจัญญะไปไล่กอดไปไล่ปล้ำผู้หญิงอะไรต่ออะไรสรารพัสนี้ยเพราะบ้ามันขึ้นแต่ต้องบ้าจริงๆนะแปรงบ้าไม่ได้บ้าจริงๆ หรือไปถูกผีเข้าแล้วก็ไปตีคนไปฟันคนไปอะไรต่ออะไรคนนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นในในขณะที่ไม่มีสติคนหลงคนบ้าอพิจารณาดูแล้วว่าหลงจริงๆบ้าจริงๆไม่แกล้งอันนี้แม้แต่ทางโลกเขาก็เอาไปใช้เหมือนกันไปพิสูจน์ดูคนนี้ทำเป็นคนบ้าจริงหรือเปล่าถ้าบ้าจริงจริเขาก็ลดลดโทษให้ถ้าไม่บ้าจริงจริงก็ปรับโทษเต็มที่ แต่อันนี้สวดอมูลหาวินัยเนี่ยท่าบ้าจริงๆแล้วก็เออสวดให้สองประชุมสองสวดเออต้องอาบัตในขณะที่บ้าความบ้ามาขึ้นเพราะคนเรามันบ้าจริงๆก็มีดูสิมีหรือไม่มีคนบ้าคนบ้าคนประสาทคนไม่มีสติสตังคนอะไรต่อะไรเนี่ยเนี่ยมูลหาวินโยดาตบุกพึงให้สองสวดประกาศอมูลหาวินัย ปิญญาตะระนนงให้ปรับตามรับรับยังไงให้ปรับอย่างงั้นก็เหมือนอย่างอันนี้ยดสองนั่นแหละพิสูนานั่งในที่รับตากับผู้หญิงสองต่อสองมีคนค้าโจทย์มีคนค้ายโจทย์มีคนคน้ายโจทย์ว่าเออมันน่าจะเสพสมกันเอมันน่าจะปลุกปล้ำกันอ๋อมันน่าจะอยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่ับนี่ฐานฐานบัตรป จ, จิตตี รุก ล, ล้ำกันฐานะบัตรสังขารเสพอ้อส่องเสพกันอ้อต้องอวบประราชชิกเขาโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาโจทย์เฉพาะทําอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนี่อันนี้ยศดสองข้อหนึ่งข้อสองพี่สูงนั่งในที่รับหูกับผู้หญิงสองต่อสองนั่งอยู่ในที่รับหูหมายว่าตามองเห็นอยู่แต่มันนั่งอยู่ไกลๆนี่สองคนนะคุยอะไรกันไม่รู้เรื่อง ต้องระวังถ้าเราพึงระวังแท้ๆแหละนั่งในที่ลับตากับผู้หญิงสองต่อสองอาจจะมีอะไรบางอยู่มันลับตาอยู่แต่มันทําอะไรกันก็นไม่รู้ได้ยินเสียงอยู่คุยกันอึ้มๆๆม้มอึ้มอึ้มอะแต่มันมองไม่เห็นอยู่คนละข้างกําแพงอยู่คนละข้างผนังเนี่ยมันมองไม่เห็นเขาเรียกว่าที่ลับตาเพราะฉะนั้นในห้องเนี่ยพิสุนั่งอยู่ในห้องเนี่ยมีผู้หญิงเข้าไปนั่งด้วยกันในห้องเนี่ย ต้องอาบัตปายกิตตีต้องอบัตแล้วแต่ถ้ามีพฤติกรรมอะไรไม่ดีขึ้นมาเขาโจทย์สังให้เศษเขาโจทย์ปรายชิกรับอย่างไรให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาโจทย์เฉพาะมั่นใจเขาโจทย์ยังไงก็ให้ปรับอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยแต่ว่าบางสํานักเขาตัดออกแล้วเนี่ยเราก็เลยเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าตัดอนิยศสองออกเนี่ยเท่ากับไปเอา ไปเอารั้วเอาประตูกีดกัน้นอเป็นการเปิดโล่งให้พระเข้าไปต้องอับัตลสังคาปรายชิกในง่า ย, ายๆเท่าไหร่เรื่องของเราเรื่องของเรามาสนใจอะไรมาสนใจอะไรเรื่องของเราเรื่องของเราเนี่ยนเท่ากับเปิดประตูโลงกันไปแล้วออยู่ในที่รับหัวก็ไปญิงสองต่อสองมาลู่พูดอะไรกันทําอะไรครับเพราะฉะนั้น ไปยืนอยู่ไกลๆคุยอะไรกันเขาฟังไม่รู้เรื่องปรับอวบัติประราชิกใกล้ปรับอวบัติสังขารที่เสียแล้วนะปรับัติสังขารเสียแล้วนะอืคุยกันอะไรไม่รู้เรื่องอ ย, อ ย, อยู่นั่งในที่รับหูกับผู้หญิงสองต่อสองมีคนมาโจทย์ด้วยอวบัติสองอย่างประราชิกหนึ่งสังขารที่เสียหนึ่งเขาโจทย์ยังไงให้ให้ให้ปรับอย่างนั้นหรือพิสูุน์นั้นรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น นี่เขาเรียกว่าระงับตามที่พิสุยอมรับปฏิญญาตะระนักรับตามยอมรับตามยอมรับเยปุยสิกาก็คือตั้งตั้งฝักตั้งฝ่ายยกมือเอาใครเห็นว่าคนนี้ผิดเอายกมือเอาใครเห็นว่าคนนี้ไม่ผิดใครใครได้ข้างมากกว่าคนาก็ชนะ เอาใครเห็นว่าฝ่ายนี้ถูกเอายกมือคนนี้ได้สิบอเอาใครเห็นว่าฝ่ายนี้ถูกเอายกมือคนนี้ได้สองเนี่ยคนที่เขาได้สิบเขเอาไปแล้วนี่เขาเรียกว่าเยพุยสิกามันเป็นระบบที่ให้คะแนนเหมือนสภาผู้แทนของเรานี่แหละเอาคะแนนเสียงเขาว่าตินญาตะกำลังเยพุยสิกาตัดจะปาผุยสิกาอันนี้พูดเทไรก็ไม่ยอมรับพูดอะไรก็ม่ยอมรับเพิ่มโทษเข้าไปเลยอ่า ตัดสปัปาปะเออไม่ใช่ตัดสัปาปิยสิกาตัดสัปาปิยสิกาเพิ่มโทษแล้วก็อีกข้อสุดท้ายคือตินวตนวัฒนรกะตินนวัฒนรกะนี่คือระงรับระงรับอธิกรณ์ด้วยไม่ไม่มีการรื้อฟื้นเรื่องเก่าเหมือนอย่างพระธรรมกัตถ ก, กับพระวินัยทอนทะเลาะกันเรื่องอาบาตเล็กๆน้อยๆเนีย่ย ตนหลังมามาระลึกได้แล้วก็สามัคคีกันแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้ายอมรับผิดด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เลยให้สวดบวชสถสามัคคีบวบสถสามัคคีสวดวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าว่าแต่พิสูจน์ที่แตกกันแล้วก็เข้ากันได้ตอนไหนท่านให้สวดสุปฏิโมกหมายว่ายินดีทําสังฆกรรมร่วมกันพระทํามกะถึกกับพระวินัยทอ น, น, นโจทย์กันแล้วก็ ผิดกันตลอดทั้งพรรษาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ด้วยพุทธเจ้าหนีไปอยู่ในป่าเลไลกับช้างกับช้างกับลิงอ่ะนะนั่นแหะปีนั้นแหละทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเสียใจมากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จมาใจาจำพรรษาแล้วพิษุเหล่านี้ไม่ฟังพุทธเจ้าเพราะทะเลาะกันเรื่องอวบัดเล็กๆน้อยๆนี่แหละทะเลาะกันพุทธเจ้าเป็นพระศา ส, สดาแล้วไปบอกแล้วไม่ฟังนะขอพรองอยู่ ขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะสับกันเองโอ้โหขนาดนั้นนะพะพุทธเจ้าเจ้าของศาสดาทแท้ๆไปบอกไม่ฟังนะปีนั้นแหละปีที่ปีที่พุทธเจ้า น, นี้ไปอยู่ที่ป่าเลไรๆกับช้างกับลิงนั่นแหละทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ใส่บาตรให้ฉันเด็ตลอดทางบรรษานะะักฉันอดฉันอยากอย่างนั้นแหละเลยระลึกตัวได้ ทำไมชาว บ, บ้านาถึงไม่สใส่บาชาฉันเขาบอกพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นสตริเป็นมงคลเขาจะได้ทําบุญใสบ่บาตอยู่แล้วเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เขาเลยไม่ใสบ่บาให้ฉันแหละทั้งอดทั้งอยากเลยบ อ, อกพรรษาแล้วเอยพวกเรารุ้มอารวยกันเถอะไว้ไปยอมรับต่อหน้าพระภาคตร์พระพุทธเจ้าเลยพากันไปยอมรับจึง แ, แล้วก็ไม่ต้องมารื้อรื้น เป็นการระงับอธิกรณ์โดยไม่ต้องรื้อฟื้นถึงเรื่องเก่าเรื่องเก่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าเหมือนเอาญ้าไปกลบไว้ตินนวัารกะตินนะแปลว่าหญ้าวัตถรกะเอาญ้าไปกรบไวถ้าเราจะเทีย่ยวเหมือนกับเอาหญ่าไปกลบไว้กรบกองที่เอาไว้เอาญ้าไปกรบไว้ไม่ต้องไปรือร้อรนะื้อแล้วมันจะคลุ้งขึ้นมามันจะสงบไม่ได้ หรือมันจะสงบไม่ได้มันจะฟงคลงขึ้นมาที่นี่ว่าระ ง, งับอธิกรณ์ด้วยตินนวัตถาริกะตินนวัตถาริกะพระธรรมกะถึกกับพระวินัยทรนะมีเรื่องกันคือเรื่องเข้ า, ขาห้องน้ําำพระธรรมกะถึกเข้าห้องน้ําก่อนปกติระเบียบในห้องน้ําห้ามเหลือกระบอกน้ําห้ามเหลือน้ําไว้ในกระบอก ที่เป็นห้องน้ำที่เป็นสาธารณะนะห้องน้ำส่วนตัวนี่ไม่เป็นไรใช้คนเดียวอยู่บนกุฏิไม่เป็นไรห้องน้ำส่วนรวมห้ามเหลือน้ำไวในผาชนะภาชนะเช่นอย่างบัางฐานนะใครเคยเห็นบัางฐานนะรู้จักบัางฐานไหมใครไม่เคยเห็นที่กุฏิเรามีในห้องน้ำมีเรามีบังฐานบัางฐานนี่เขาสำหรับใส่แล้วก็มาล้างโดยเฉพาะส่วนตัวหรือไม่กบตักาชนะไปเนี่ย ภาชนะเล็กๆ ข, ขนาดพอดีล้างก้นถ่ายเสร็จแล้วก็ล้างก้นธรรมเนียมขอพระสงค์เราเนี่ยถ่ายเสยร็จต้องล้างนะใครไม่ล้างเนี่ยต้องอบับดับล้างก้นสะอาดขนาดนั้นนะธรรมเนียมนั้นนะ่ะมีใช้มาจนอินเดียจนทุกวันนี้นะอินเดียเนี่ยโยมนะพวกโยมพวกอะไรเขานี่ยเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาต้องล้างมันจะมีกระป๋องอันนึงเขาจะถือกระป๋อง เราไปอินเดียเนี่ยเราไปสังเกตดูผู้เท่าคนหนึ่งแต่อินเดียเขาถ่ายได้ตรงไหนเขาก็ถ่ายได้ข้า ง, งทางเขาก็นั่งถ่ายสบายเราพอดีรถมันไปจอดพอดีดแล้วก็ไปจอดแล้วก็มีบ้านบ้านมันก็อยู่ห่างออกไปเนี่ยบนถนนหรือก็ห่างถ น, นนออกไปเนี่ยแล้วก็มันก็มีมันก็มีคูน้ําเห็นผู้เท่าเขามานั่งถ่ายข้างๆเลยถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถือกระบอกน้าหมา เ, เขาไม่ได้ถือเขาสักคลานไปใกล้ๆใกล้ๆน้ําเขาไป กว่าล้างอ๋ออินเดียนี่ถือถือว่าถ่ายแล้วต้องล้างล้างก้นธรรมเนียมเนื้จริงติดมาอ่าในระเบียบของพระเรานะพระเราถ่ายแล้วต้องล้างนะผิดใครถ่ายแล้วไม่ล้างเนะี่ยผิดมีน้าต้องล้างมีน้ำอยู่ต้องชำระยกเว้นแต่ไม่มีน้ำมีข้อยกเว้นด้วยนะยกเว้นแต่ว่าไม่มีน้าอยู่ใน อ, อยู่ในอยู่ในโคโจรที่เราขวนขวายเอาน้ํามาล้างได้เราต้องเอามาต้องถือมาต้องเอามาต้องถือมาอย่างพวกเราไปห้องน้ําไปน้ําไปซ่วมไปซ่วมที่เป็นซ่วมหลุมเนี่ยเช่นอย่างเราไปทุ ด, ดงไปเที่ยวไปทุ ด, ดงไปอยู่บางแห่งเขาทําซ่วมหลุมให้เนี่ยเราก็ใส่บั้งฐานเราไปบางทีเราก็มีครุเอาน้ําไปไว้เราก็ใส่บั้ ง, บงฐานเสร็จแล้วต้องชําระ อยู่ในที่ขวนขวายต้องเอาไปล้างได้ต้องเอาไ ป, าไ ต, าไปต่ไปเดินทางไปจริงๆไม่มีอะไรจริงๆโอ้ยน้ำติดตัวก็ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกระเช็ดเช็ดเอาแหละนะเช็ดเช็ดเอาเช็ดให้สะอาดที่สุดก็ถือว่าคิดอยู่โอ้คราวนี้ไม่มีไปถึงคราวที่มีก็ต้องได้ล้างแค่นี้ก็ต้องได้คิดตามนะแค่นี้ต้องได้คิดตามกับไอที่เขาไปตัด พี่สุนังในที่รับหูกับนางที่ในที่รับตาออกเนี่ยมาคิดดูแล้วเป็นยังไงมันเป็นเหตุให้พระเปิดประตูโลกงไอ้พระเข้าไปต้องอบดัดสังฆาประราชิกนะน น, ะนี่เป็นเหตุให้เขาทำหนีติเตียนอยู่จนทุกวันมีบางสำนักไปตัดออกแล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆมันมันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องไม่ดี ม, ม, ดมันเป็นเรื่องไปไปเอากรอบ ท, ที่บรรพบรุษทำมาดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ตามภาษาบกก็ตามท่านทามาดีแล้วไปเอาของท่านออกไปเอาไปเอาของท่านออกไปทำไปเอาออกทำไมเอาออกเพื่อให้มันเข้ากับตัวเองหรื อ, อยังไงนี่เราพูดถึงอะไรนี่นะเราพูดถึงอะไรใครจาได้บ้างเราพูดถึงอะไรเราพูดถึง วิธีระงับอภิกรสมุขขาวินโยดาตโบพึงให้ให้พร้อมหน้ากันพร้อมหน้าธรรมพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าวัตถุพร้อมหน้าธรรมพร้อมหน้าวินยัยสติวินโยดาดาตโบสําหรับให้สองส่วนให้กับพิสุขที่ต้องบัตรที่เขาโจทย์ด้วยบัตรพราชิกแต่ท่านเป็นพระละหาันให้สติวินยัยท่านเป็นเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติวิปุละ มูลาวิโยดาโตโบสวดให้ในขณะที่พิสูจน์ต้องอาบัตในคราวในขณะที่กำลังเป็นบ้ า, าปฏิเนาตาระนงังปรับตามที่ยอมรับเหมือนอย่างที่อธิบายฟังเลยแล้วก็เพิ่มโทษ <c oughs> ตัดสับปบายสศิกาตินาวัฏฐารกะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกยกเรื่องเก่ามากล่าวอีก อ๋อพูดถึงเรื่องทำกระถึกกับวินัยทอนพระทำกระถึกเข้าห้องน้ําไปแล้วก็ไปเหลือน้ําไว้ในกระบอกที่ท่านออกมาพระวินัยทรนทำกระถึกก็คือเป็นผู้ทรงจําพระธรรมเป็นผู้แตกฉานพระธรรมพระวินัยทอนคือผู้ทรงธรรมคนหนึ่งหนักในทางธรรมคนหนึ่งหนักในทางวินัยว่างั้นเถอะเป็นผู้ทรงทรงจําพระวินัยเข้าไปแล้วไปเห็นว่าเออพระทำกระถึกไม่รู้วินัยหรือยังไงพระเจ้า ว่าห้ามเหลือน้ําไว้ในกระบอกในห้องน้ําสาธารณะว่าทำไมก็ะถึ่งไม่รู้รล่อองไงเนี่ยเนี่ยเพราะวัดพระวินัยถอนเข้าไปแล้วไปเห็นแล้วก็เอามาพูดมาถามว่าเอ๊ะทำไมท่านเหลือน้ำเอาไว้ในกระบอกท่านไม่รู้ว่าผิดวินัยเหรือผมไม่รู้ครับพระธรรมกระถิ่งไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้ครับเออถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นไรแน่ไม่รู้แล้วไม่เป็นไรเนี่ย เสรจแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะ่ะไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์มันก็เลยไปว่ากันนะที่นี่ว่ากันไปว่ากันมาอ้าวเดือดร้อนถึงอาจารย์ทั้งสองนะัเละเออพระธรรมันก็ถึงเลยมาคิดตามพระวินัยทอเนี่ยท่านพูดว่าท่านท่านไม่รู้ว่าท่านปีวินัยหรือผมไม่รู้ครับเออถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นไรแต่ทำไมยังเอาไปเล่าลูกศิษย์ฟัง <laughs> ลูกศิษย์ลูกศิษย์มันก็เลยเอามาว่าที ก็เลยว่ากันไปว่ากันมาต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างมีลูกศิษยมากเลยไม่ยอมกันนะไม่ยอมกันเลยไม่ทําไม่ทําปฏิโมคด้วยกันเนี่ยเท่นี้อยู่วัดเดียวกันวัดระฆังโคศิตารามน่ะแล้วก็แตกกันน่ะไม่ทําอุปโภคสังเกตการมร่วมกันแน่พุทธเจ้าบอกก็ไม่ยอมฟังเนี่ยต่างคนต่างว่ากันใส่ว่ากันอยู่นั้นแหละไม่ยอมหยุดตลอดทั้งพรรษาจนชาวบ้านเขาไม่ใส่บาตรฉันพอระลึกได้เหลยไป พระพุทธเจ้าออกพรรษาเสร็จแล้วท่านก็นไปที่ท่านก็นกลับไอเชตวันเชตวันพระสงฆ์เหล่านี้ก็เราเลิกได้โอ้ออกพรรษาแล้วพวกเราปณีปนอมสามัคคีปรองดองกันก็เลยไปปณีปนอมที่เช ต, ชตวันนะั่นพระพุทธเจ้าก็เลยให้สวดปฏิโมกนี่เรื่องพระธรรมกติกับวิ น, ยนัยทอนเรื่องน้ําหรือน้ําในกขาบอกนิดๆหน่อยๆนี่เองก็เลยถูกระ ง, งับด้วยตินนวัฏฐารกะวินยัย อันนี้ไม่ใช่สีขาวบทที่เราจะพึงกระทำแต่เป็นวิธีการระ ง, งับอธิกรณ์คำว่าระ ง, งับอธิกรณ์ก็คือระ ง, งับการการโจดการฟ้องกันด้วยอาบัติน่แหละเขาเรียกว่าระงับอธิกรณ์อ่าพอสมควรเคลวลาโทษยืดยาว <c oughs>